ท่านสาธาชนมัตรบริษัททั้งหลายและพระโยคะวายจรทั้งหลายบัดนี้ท่านนั้นหลายได้าพากันสมาทานศีลสมาทา น, นกนารรมฐานแล้วต่อไปขมรนดาท่านนั้นหลายรวบรวมกําลังใจของท่านตั้งใจสนับการศึกษาในบารมีศี ว่าบารมีสิบนี่มีความสำคัญมากแต่หากว่าท่านหลายเจริญพระกรมฐานมาสักกี่แสนปีแล้วก็ตามถ้าหากว่าบารมีสิบของท่านไม่ครบถ้วนคำว่าพระอริยเจ้ายอมไม่มีกับท่านในที่นี้ก็โปรดเข้าใจคำว่าบารมีสิบก่อน คำว่าบารมีนี่หมายถึงกำลังใจจะมีหมายความว่าท่านหลายต้องมีกำลังใจส่งความดีทั้งสิบประการไว้ในใจครบถ้วนทุกอย่างไม่บกพร่องคำว่าส่งความดีนี่ไม่ได้หมายความมาจำได้ต้องทำได้ให้จิตสรงอารมณ์เป็นปกติขอทบทวนอีกนิดหนึ่ง บารมีสิประการก็คือหนึ่งทานบารมีได้จากการให้ทานสองศีลบารมีการ ส, งส่งศีลในบริสุทธิ์สามเนคขมะบารมีคือการถือบทสี่ปัญญาบารมีคือทรงปัญญาลู่เท่าทาันตามสภาวะตามความเป็นจริงกิเลสจัดห้าวิทยาบารมีมีความเพียรไม่ท้อถอย หขันติบรมีมีความอดทนเจดสัจจะบรมีมีความจริงใจแปดอนดิธานบรมีคือการตั้งใจเก้าเมตตาบรมีคือมีจิตเมตาตากราณีมีความรักในคนลศัตร์ปกติและสิบอุเบกขาบรมีด้กการวางเฉย โดยเฉอะอย่างยิ่งจุดจบก็คือเบคาบา ร, รมีผู <c oughs> ้เบขาบา ร, รมีในที่นี้ได้เกิสังขารุปปิขาญาณสําหรับทานบา ร, รมีได้พูดกันบรรดาท่านทหลายมาแล้วหวังว่าท่านหลายคงเข้าใจพอได้โปรดทราบนะคําพูดทุกอย่างที่ผมพูดไปทุกคํา ผมถือว่าโพท่านมีความเข้าใจพอและก็ทำได้ด้วยเพราว่าถ้าว่าเราทำไม่ได้เราก็อยู่ในเขตของพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพราะในเขตของพุทธศาสนานี่ต้องการคนดีไม่ใช่ต้องการคนเลว คำว่าดีในเขตของพุทธศาสนาก็คือต้องทรงบา ร, รมีสิบครบทวนสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงศีลณบา ร, รมีคำว่าศีลแปลว่าปกติถ้าเราเป็นครวา ว, ว่าเป็นครวิปกติของปุตุชนก็ดี หมายถึงผู้ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ผู้เท่าถึงไตรสนาคมกาลายาไรชนหมายถึงว่าผู้ทรงฌานในอารียชนสองขัน้นหมายถึง่ะโสดา ก, กับสีทาคาอย่างนี้ต้องมีศีลห้าเป็นปกติ โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระโสดากรรมสีทาคามีต้องสนศีนห้าเป็นปกติจึงจะชื่อว่าพระโสดากรรมสีทาคามีสําหรับอารมณ์จิตถ้าเข้าถึงพระอนาคามีตอนที่เข้าถึงพระอนาคามีนี้จะมีศีนแปเป็นปกติเพราะว่าพระอนาคามีเป็นผู้ตัดกรมฉันทะกับบุตริกะ อารมณ์แห่งกามารมย่อมไม่มีในพระเรียเจา้าระยะนี้ที่พ่านาคามีสำหรับปราหั์ก็ไม่ต้องวดกันสำหรับพิสุสัเมเณีก็หมนกันพีสุสัมเณีมีสินค ง, งที่แต่ไม่จิต ด, ดีขึ้นก็ทรงสินบริสุทธิ์เป็นอันว่าสีลแปลว่าปกติ หมายความนั่นว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่ต้องการการขาดทุนหมายถึงว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วถ้าตายจากคนกลับไปเกิดเป็นสนรัรฤทธหรือว่าไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสตัตว์ประหลาด หรือว่ามาเกิดเป็นคนแต่มีสภาวะเท่าเดิมอย่างนี้ถือว่าเราขาดทุนเจนปกติของคนจะต้องปฏิบัติในสี่ให้บริสุทธิ์ถ้าจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกก็ต้องเกิดเป็นคนที่ดีกว่านี้คําว่าดีกว่านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีโพคะมากไปกว่านี้ แต่เนื้อแท้จริงๆถ้าปฏิบัติในศีนบริสุทธิ์จะต้องมีพวกสมบัติดีกว่านี้มีรูปร่างหน้าตาสวยกว่านี้แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าทั้งหมดคืนหนึ่งมีอายุยืนยาวตลอดอายุไขไม่ป่วยไข้ไม่ไมสมบายแล้วก็ไม่ตายก่อนอายุไข มีทรัพย์สินสมบูรณ์บริบูรณ์ทรัพย์สินทุกอย่างจะไม่มีอันตรายจากาไฟไหมจากน้มท่วมจากลมพัดจากโจรผู้ร้ายคนในปกครองจะอยู่ด้วยดีไม่มีใครดืด้ันอยู่ในว่าทุกอย่างวาจาศักดิ์สิทธิวาจาหอมหวนเป็นที่ปรารถนาในการรับฟังของคนดีทั่วไป อย่าลืมนะผมพูดว่าของคนดีทั่วไปสำหรับคนเร็วไม่เราไม่ต้องคำนึงถึงคนเร็วนี่เราจะพูดดีขนาดไหนมันก็เร็วขนาดนั้นอย่าไปสนใจแล้วก็จะต้องมีสติสมัญญะสมบูรณ์ดีกว่านี้นี่หมายถึงว่าถ้าเรามีสินบริสุทธิ์ นี่มาว่าการถึงศีละเบรมีความจริงมีสีระเบรมีข้อดเดียวเขรู้สึกว่าจะปนานิพันธ์ได้ถ้าเราฉลาดเหมือนกับที่ผมพูดมาแล้วในทานระบรมีคือถ้าเรามีท า, า, า, า, านระบรมีเคร่งครัดเราก็ปานิพาน์ได้เจริืมว่าขึ้นชื่อว่าระบรมีอย่างไรอย่างหนึง่ง ถ้าเราจะสร้างให้มันครบถ้วนจริงๆก็ต้องอาศัยบา ร, รมีเก้าอย่างเข้ารวมตัวกันแล้ว่าเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วในบา ร, รมีสิบแต่นี่เรามาพูดกันทั้งด้านปฏิบัติด้านปฏิบัติี่จำจะต้องพูดกันละเอียดสักหน่อยแต่ ว, ว่าถือว่าการสอนว่ากรรมฐานชุดนี้เป็นกรรมฐานชุดสุดท้าย ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการสอนบารมีสิบก็หมายถึงว่าสอนให้ท่านเป็นพระอริยเจ้ากันนั่นเองแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้ตัวผมดีว่าผมคงไม่มีเวลาที่จะนั่งพูดให้เด่นฟังอีกนานนะกเพราะเวลานี้ร่างกายเมื่อกรอบเต็มผลแล้ว อารกิจก็มากขั้นห้าเก็เสื่อมทรมหนักอายุไขมันก็ใกล้จะหมดเั่นการสอนบารมีสิบคอยตนหลายพื่ทราบว่าผมสอนทีกระเป๋านั้นทั้งนี้หมายความว่าผมจะตายหรือไม่ตายก็ตาม ถือว่าเป็นการทิ้งไพ่ใบสุดท้ายในการปฏิบัติของท่านหลายในการดาเนินบรารมีสิบเตยพาะ อ, อย่างยิ่งในข้อศีลเราก็จะต้องเทียบกันเป็นสองระยะเหมือนกันว่าบรารมีตน้นและอุปบรารมีและประมัตถบรารมี ก่อนที่เราจะนึกถึงศีลว่าทำไมจริงจะต้องปฏิบัติในศีลกันด้วยนี่การเจริญบรารมีในเขาคิดกันอย่างนี้นะว่าทำไมเราจริงจะต้องมีศีลคนอื่นที่เขาบกพร่องในศีลเขาร่ำรวยเยอะทมไป ในคนที่ก็บกพร่องในสินก็ เ, เป็นคนมีอํานาจวาสนาบารมีมียศศักดิ์ใหญ่กระถมไปคนที่ก็บกพร่องในศีลเขามีอํานาจวาสนามากอาจจะปกครองคนลัฐประเทศกระถมไปแต่ว่าเราเป็นคนมีศีนกลับมีอะไรไม่มีเท่าเขา ถ้าคิดอย่างนี้แล้กก็เขาว่าฐานภัยโปรดตั้งใจเตรียมตัวว่าท่านต้องการนรกขุมไหนเตรียมตัวไว้ว่าตายคราวนี้เราไปนรกไปแน่าการปฏิบัติในบา ร, รมีสิบเราไม่ได้ม่ได้ปรารบโลกธรรมคือไม่ต้องการยศไม่ต้องการความร่ำรวย ไม่ต้องการมีอำนาจบาสนามบารมีในทางโลกีวิสัยเราปฏิบัติในศีลต้องความต้องการความบริสุทธิ์ของใจนี่คำว่าศีลก็ยอมรู้กันอยู่แล้วแล้วก็มานั่งดูที่ว่าคนเราทำไมจึงต้องมีศีล ศีนเป็นคนหรือว่าศีลเป็นโทษต้องใช้ปัญญาพิจารณากันหน่อยหรือว่าต้องใช้ปัญญานำหน้าสัญญาคำว่าสัญญาคือความจำปัญญาคือความคิดต้องใช้ปัญญานำหน้าสัญญา สัญญาในความจริงมันนําอยู่แล้วแต่ด้ว่าสัญญาจะทรงความดีไม่ได้ก็ต้องอาศัยมีปัญญาเป็นตัวนํแล้วก็มานั่งไค้ครคนั้องสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินห้าหรือว่าสิ น, สนแปดสำหรับสินสิบสินสองร้อยยี่สิเจ็ดผมจะไม่พูดถึงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระก็ดีนเน่งก็ดี อาจเนนทรงสินสิบไม่ครบพระศินทรงศินสองรอยี่สิบเจ็ดไม่ครบเขาไม่เด็กพระเขาไม่เด็กเลนเขาเด็กเทนเทนในที่นี้เป็นสะเอทอถุงนอนโนสกดถ้าแปลว่าหัวขโมยคือขโมยอาเภกของพระขมชยัยขโมยอาเภกของเลนขมนชยัย เป็นอนวุวาทุกท่านที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ท่านประเภทนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สเปตโตหรือว่ามนุษย์สติเลชานโนหมายความร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เ้ชานตายจากความเป็นคนก็ เ, เป็นสัตว์รกเป็นเปรต เป็นอสุรเป็นสติานสุรกายเป็นสติริชานเท่นับพระเนนต้องโคง้งศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วผมจะไม่ปราดกถึงจะวัดศีลเท่ารัครวัตและพระเ น, นก็ต้องดูด้วยนะว่าท่านหล้งหลายที่บวชอยู่นี่มีศีลห้าบริสุทธิ์หรือเปล่าที่ผมพบมานะมันเก้าสิบเปอร์เซ็น ในบรรด า, ราพระเนรทิพย์ประกาศตนว่าเป็นคนมีสินสองรอยี่สิบเจ็ดแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆสินห้าไม่ครบถ้าสินห้าไม่ครบมันจะมีสินสองรอยี่สิเจ็ดได้ยังไงถ้าใครปไปไหว้คนประเภทนี้ก็ถือว่าไหว้สัตว์ใน ร, ระไหว้เปรตไหว้สุรกายไหว้สัตว์นิรชานั่นเอง เพราะท่านผู้นี้ตายจากความเป็นคนไม่มีโอกาสจะได้เกิดเป็นคนไปตั้งต้นมาจากมรรกใหม่ตอนนี้ก็มาพูดกันไปปรึกษากันและหาหรือกันว่าศีลมีความสำคัญยังไงมาพูดกันถึงศีลห้าและศีลแปดสิกอนต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วย ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งภาวานาว่าเีลังเีลังเสียหลังอย่างนี้มันเรื่องของนกแก้วนละคณทองนกแก้วนกคนทองก็พูดตา่างเขาพูดแต่ว่าไม่มีภาษาของเขาก็าไม่รู้เรื่องแล้วบอกให้เรียกพ่อจ้าแม่จ้านกแก้วนกคนทองก็พอจ้าแม่จ้าขอข้าวกินหน่อยที่แกก็พูดขอข้าวกินทั้งวันท่าท่านที่แกไม่หิว เพราะว่าเขาสอนอย่างนั้นนักปฏิบัติและนักบทในพุทธศาสนาก็ไม่กันถ้าไปนั่งจำแต่ชื่อของศีลหรือนั่งภาวนาแต่ชื่อของศีลมันอาจจะมีผลเป็นฌานสมาบัติได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าถ้าศีลบกพร่อง สร ان สมาบัติมันก็ไม่มีสมาธิเล็กน้อยมันก็ไม่เกิด น, นี่ก่อนที่เราจะมาทรงสินกันเราก็ต้องรู้จักเสียซะก่อนสําหรับพิสุสั ม, มนเนหถ้าหากว่าเป็นผู้มีศินบริสุทธิ์ท่านบอกว่าทุกคนจะประสิทจากวิปฏิสายคือความเดือดร้อน พระเนรที่มีความยุ่งๆขาดการเคารพนับถือก็ามัด่าโผงชนทั้งหลายก็เพราะว่าเป็นพระเป็นเนรที่ขาดศีนั่นเองชั้นเลวที่สุดคนพระเนรที่มีศีนบริสุทธิ์เขาถือว่าเป็นพระเป็นเนรที่เลวที่สุดไม่ใช่เป็นพระเป็นเนรที่ดีที่สุด ท่านที่มีศีลบริสุทธิ์จงคิดว่านี่เรายังเร็วมากเกินไปเพราะว่าความดีของเราทรงไม่ได้แค่กามาวจรสวรรค์เท่านั้นนี่ศีลสิบก็ดีศีลสองรอยิบเจ็ดก็ดีศีลห้าก็ดีศีลแปก็ดีเพรก็เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าถ้าดีไปกว่านั้น จิตทรงสินบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปนั่งภาวนาวสีหลังสินทุกสิขาบททรงอารมณ์จิตบริสุทธิ์จิตรักษาไว้ได้บริสุทธิ์โดยไม่ละเมิดสินโดยเจตนาในจิตรำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งนึกอยู่เสมอว่าเราจะทรงสินให้บริสุทธิ์ยิ่งกว่าชีวิต กิจคิดตืด้งสินเป็นปกติอย่างนี้จัดเป็ น, เ ป, นเป็นชาในศีลานุสติกรมฐานอย่างนี้เป็นพรหมได้แต่ว่าสำหรับศีลนบรมีในทีน่นี้ไม่ต้องการใช้การมาวจรสวรรค์และก็ไม่ได้หมายให้ต้องการพรห ม, มโลก ที่ศึกษาศีลธรรมีต้องการเป็นพระอริยเจ้าคือพระอาหารหันต์แค่นั้นก่อนที่เราจะมา น, นั่งพิจารณาปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ก็ต้องดูผลของศีลว่าถ้าเราปฏิบัติศีลบริสุทธิ์มันมีความสุขแล้วมีความทุกข์ถ้าเราปฏิบัติศีลไม่บริสุทธิ์มันมีความสุขแล้ว ม, มีความทุกข์ เขาเอาดีก็ตรงนี้ไม่ใช่เป็นนั่งเอาดีอดสิงกันทำบวญขึ้นมาแล้วก็คุยว่าฉันมีสินสองรอยยี่สิบเจ็ดดีไม่ดีแค่สินห้าไม่ครบในเมื่อสินห้าไม่ครบจะอะไรมาเป็นสินสองร้อยี่ิบเจ็ดตอนนี้เราก็มานั่งมองสินสมพระทุกสีขาหมด อย่าเคลื่อนเอามาดูสิห้ากันก่อนสินห้าทำไวยังไงปานาธิปาตาเวรมณีเราเจะงดเว้นจากกายฆ่าสัตว์ตชีวิตและเบียดเบียนสัตว์ให้รับความลำบากมานั่งเล็กดูว่าพระพุทธเจ้าทำไมบอกอย่างนี้ ที่การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันเป็นผลของความสุข้อมองไม่ยากคนที่มีสิ่งข้อ น, นี้ต้องมีเมตานำหน้าเมตตาคือความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชาดิสยาันอุเบกขามีรมบางเฉย นั่นหมายความว่าเราเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าได้เราก็ไม่ฆ่าเพราะความรักเราจะประทุษรายได้เราก็ไม่ประทุษรายเพราะความสงสารแเราจะไม่ฆ่าเขาเราจะไม่ทำลายเขาด้วยอารมณ์ของเราไม่มีความอิจฉาหลือเสียใครเห็นเขาได้ดีเราไม่อิจฉาเขาเรอยยินดีกับความดี ถ้าเขาทําเป็นที่ไม่ถูกใจเราเฉยคิดว่าเขาจะชั่วก็ให้ชั่วแต่ตัวของเขาเราไม่ชั่วด้วยอันนี้เป็นอารมณ์ของปัญญาอารมณ์ของปัญญาจะต้องไปลุ้งเอเมตตาความรักกรุณาความสงสารเข้ามาครอบศีลนจึงจะปรากฏ่ในสิ่งข้อที่นึ่งคือทุกข้อนอัอหละ ทุกข้อจะต้องมีพรหมหารสี่ครบถ้วนสินจินจะบริสุทธิ์นี่เราว่าก็เลยสินบารมีนะเพื่อความเป็นพระอราหารันต์นนี้มาสิงข้อดีบหนึ่งถ้าเราละเมิดหล่ะจะเป็นยังไงถ้าเราปราศจากความเมตตาราณีเป็นคนใจร้าย พอทุส ร, รายเขาอยากจะฆ่าเขาถ้าเราทํากษัตริย์ตัวเล็กๆมันก็ทําหมายที่ ร, รอผลชาติหนา้าหรือว่าฆ่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมันก็ต้องรอผลชาติหนา้าแต่ผลชาตินี้ที่เรามองกันไม่เห็นก็คือความเลวของจิตมีอารมณ์อเมหิตมีความโหดร้ายเรามองกันไม่ก็เห็น เราจะเห็นกันได้แต่เฉพาะที่ต้องทำกับสัตว์ที่สนองเราได้นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องพบกับคู่ต่อสู้ของเราทีนี้เราก็ลองมาทำกับขนบ้างที่แรกเรามีความเมตตาเรามีความรัก เจอหน้าใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยกมือไหวไมานก็เป็ขเขาไม่อยากความดีเราอยากเจอคนอื่นไหวเรามันก็ไม่อยากแล้วยกมือไหวเขาเขาก็ไหวเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราพูดวาจาไพเราะให้เขาเขาก็พูดฝัยวาจาไพเราให้เรา เป็นอนุวาถ้าหากว่าเราทำตามนั้นลองเล็กดูสําหรบบตัวเราถ้าเขามาทำกับเราอย่างนั้นจิตใจ เ, เราจะมีความรู้สึกยังไงเจอะหน้าคนคนไหวเจอะหน้าคนเขายิ้มให้เจอะหน้าคนเขาพูดวาจาอ่อนหวาน จิตใจเขาเราจะมีความสุขเพราะว่าจิตใจเขาเราจะมีความท้อเราจะมีความทุกต ร, ตรงนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาโดูให้ดีและมาอีกตอนหนึ่งมาดูลักษณะตรงกังข้ามถ้าเราเจอหน้าใครใครเขาก็ด่าเราพบหน้าเขาเขาก็ชกหน้าเรา เป็นอนุว่าเราจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเนา่าเราเรากําใจกําลังใจไม่ดีพอถ้าไปถึงอนาคามีเราก็ไม่ชอบใจถ้ามาตีเรามาชกหน้าเรามาทำร้ายเราเราก็ไม่ชอบใจอารมณ์ประเภทนั้นมันเป็นอารมณ์ความสุขและอารมณ์ความทุกข์ เราก็จะมองเห็นว่าแม้แต่เพียงแค่สิ่ข้อที่หนึ่งถ้าเราละเมิดมันก็จะพบความทุกข์จะมาหันแล้วนี้เราทำไงต่อไปเราควรจะเป็นคนมีสินและคนจะเป็นคนไม่มีสินเจอหน้ากันยิ้มเข้าหากันดีเพราะว่าหน้าเบื่งเข้าหากัน เจอะหน้ากันพูดดีก็หากันหรือว่าด่ากันดีเจอะหน้ากันต่างคนต่างอ่อนน้อมแสดงความเคารพเช่นกันกันดีหรือว่าชกหน้ากันดีถ้าว่าท่านและหลายป็นคนที่มีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ท่านก็ยังต้องตอบว่าพบหน้ากันยิ่งก็หากันนั่นแดี หอว่ามีการอ่อนน้อมซึ่งกันและกันท่านะดีพูดจาอ่อนหวานในสิ่งกันและกันท่านดีนี่เราก็มองเห็นชัดๆว่าถ้ามีศีลและอารมใจมันมีความสุขศีลมันจะมีมาจากไหนได้ต้องไปหาเหตุการสร้างความดีในพระพุทธศาสนา ต้องมีเหตุและก็มีผลไม่ใช่มันนั่งนั่งอยู่จะรู้สึกว่ามีสี่งฉะนั้นตอนตอนเย็ยนจึงให้เปิดพระวิ น, นัยฟังกันอยู่เสมอท่านพระจะได้เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติฉะนั้นขอท่านผู้ใช้ขยะยเสียงตามสาย ตอนเย็นทุกเย็นจะต้องใช้ระเบียบระวนในทุกวันอย่าว้นที่เปิดให้ฟังที่ไม่เย็ดไม่ไม่ได้หมายต้องการให้เบื่อเปิดให้ฟังอยู่เสมอก็ไม่แน่นักในว่าท่านจะปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าลงอยู่วัดนี้ปฏิบัติพินัยไม่ครบถ้วนก็วงได้เป็นนายว่าตายลงอาวจี วันนี้ว่ากันทั้งสิ้นข้อที่หนึ่งมันก็ไม่จบเรามาดูเหตุดูผลเรื่อง ก, การปฏิบัติศีลเ น, นี่ยดีดีกว่าละเมิดศีลเนื่องว่าทําไมเราต้องปฏิบัติในศีนลเ้าก็ต้องมานั่งคิดดูว่าชีวิตของเราที่เกิดมา น, นี้มันจะทรงตัวอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหม นั่งมองหาความจริงว่าคนที่เขาเกิดมาก่อนเราตายไปแล้วมีบราหรือเปล่าแล้วคนที่เกิดมาคล้องกับเราตายไปมีบ้างหรือเปล่าคนเกิดที่หลังเราตายไปมีบ้างหรือเปล่าก็ต้องทราบว่ามีแล้วก็มานั่งดูชีวิตตินสีของเรา ว่อร่างกายของเรานี่ไม่แก่เป็นไหมมันป่วยไข้ไม่สบายเป็นไหมและมันตายเป็นไหมเคยคิดถึงความตายบ้างไหมถ้าว่าท่านไม่นึกถึงความตายแต่ละวันก็สัจข้อจัดว่าเป็นคนที่เลวที่สุดในเขตพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความตายมีกระเราทุกขณะลมหายใจเข้าออก เป็นอันว่าวันนี้เรื่องข้อสินข้อที่หนึ่งไม่จบเพราะว่ามันหมดเวลาเป็นว่าการศึกษาในสินและบา ร, รมีรสำหรับคนนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ฉะนั้นต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำาองจิตให้มันกำหนดรูด ล, ลมหายใจเข้า ใ, ใจออก ใช้คําภาวนาและพิจารณาตามมัธยาไซจงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะภาักสวัสดี